เทศธรรมะปาาไม่ได้ตั้งละโมงและลึกนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้ากะทําระสงค์แล้วก็อธิบายไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังก็กระุนานานั่งตามสบายทําความสงบใจไม่ต้องประนมมือก็ไม่เสียความเคารพขอให้ใจเคารพทาอยู่ภายในภายในความรู้สึกคือใจหรือไมใ่ใจส่งไปในที่ต่างๆตามปกติของใจ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 ความรู้สึกของเราในบางครั้งหรือบางรายจึงเห็นว่าศาสนานไม่จำเป็นก็มีศาสนานเป็นของจำเป็นก็มีแล้วเมื่อศาสนานไม่จำเป็นแล้วเราจำเป็นกับอะไรนี่ก็ควรเป็นปัญหาอันหนึ่งขึ้นมาสาหรับเราถ้าต้องการเหตุผลต้องการหลักเกณฑ์ต้องการสาระคุ้มแก่ตนเพราะเราเกิดมาด้วยกันไม่ต้องการมา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 สิ่งใดที่เราเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่ต้องจะต้องซื้อดรอแลกเปลี่ยนด้วยเงินแต่เงินไม่มีเสียหรือเงินไม่ได้ติดตามไปเสียอย่างนี้ความต้องการของเราจะมีมากเพียงไรแล้วความจำเป็นของเราจะแสดงขึ้นมากเพียงไรในขณะนั้นแล้วเงินจะเห็นเป็นความสำคัญเพียงไรในขณะนั้นนี่นี่เราเทียบภายนอกโลกที่เจาะแสวงกันไม่ได้หยุดได้อยู่เป็นกงจับ ก, กันทั้งวันทั้งคืน ทั่วโลกดินแดนเพราะอะไรเพราะสิ่งจําเป็นเหล่านี้ธาตุขันนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากแม้จะเล็กๆก็ตามภูเขาทั้งลูกไม่ได้มีความจําเป็นอะไรกับโลกดังหนาแต่ธาตุขันของแต่ละรายละลคือของแต่ละคนนี้มีความจําเป็นต่อตนมากเพราะเป็นภาระสําคัญที่เราจะต้องรับดูแลรักษาือรับผิดชอบตลอดมาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันสลายวายชนลงไป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 อะไรจะมีความสมบูรณ์ก็ตามสิ่งนั้นก็สมบูรณ์แต่อันใดที่บกพร่องเช่นสนาเช่นธรรมเป็นเครื่องบกพร่องภายใจิตใจใจต้องจะต้องมีความบกพร่องอยู่เสมอทั้งทั้งที่สิ่งทั้งหลายมีอยู่เมื่อเป็นฉะนั้นจุดนี้เราก็ควรจะแก้ไขหรือส่งเสริมให้มีขึ้นมากเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็ดีถ้ายังไม่มีก็ควรจะรีบเร่งผลผายสร้างนั้นตั้งแต่บัดนี้เฉพาะอย่างยิ่งจิตตาภาวนาเป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งจะทําให้เห็นประจักษ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 กุศลธรรมมาคือความฉลาดไม่มีอยู่ภายในติดภายในตัวแล้วแต่ทายังไงมันก็อย่างนั้นละ่ะยกมากี่กัมภีพระไตรไปิฎกมาสวดกันนั้นก็เท่านั้นแหละเพราะสวดเราจากปากนี่ต่างหากมันจะไ ป, ปำบำนรัที่เลียดศานาสําว่าความชั่วของคนผูนน้นั้นๆได้ยังไงฮะทําท่านปราบที่เรีดของของผู้บําเพ็ญธรรมต่างหากการทําบุญให้ทานในขณะที่ตายเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เป็นบุญไม่ได้เป็นกุศล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 เรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะถ้าไม่สร้างพายในจิตใจก็ไม่มีความเฉลียวฉลาดแก้กิเลสอันเป็นตัวโง่อยู่ภายในจิตใจนี้แล้วแบกบคำพีไปห้าร้อยคำพีมันก็เป็นแต่คำพีนะแต่กิเลสก็เต็มหัวใจเช่นเดิมไม่มีอะไรแตกนะครูที่ปรกท่านสอนลงมาที่นี่อันนั้นเป็นเข้นพิษทางเดินท่านสอนให้เข้ามาอยู่นี่ตัวกิเลสตัณหาตัวทุกตัวภัยทั้งหลายมันเกิดที่ใจเรียนก็เรียนทั้งนั้นแล้วกัน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 จะบรูุ้สินุทธรรมยังไงถ้าไม่รู้ตั้งแต่ขนาดที่ยังมีชีวิตอยู่เราควรจะรู้จะตั้งแต่บัตรนี้หารู้สินูทธรรมภายในจิตใจตั้งแต่บัตรนี้แล้วบําเพ็ญให้เต็มติ่กาลังตนตั้งแต่บัตรนี้แล้วอยู่ไหนก็อยู่เธอคนเราธรรมะพระเจ้าไม่ใช่ตุกตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กพอจะหลอกคนไปนู่นได้ไปนี่นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้ทําลงไปให้เห็นประจักษ์กับตัวเองศาสนาธรรมเป็นเครื่องประกาศท้าทายความจริงอยู่ตลอดมาตั้งแต่พระเจ้าแต่จะรู้จนกระทั่งบัตรนี้แล้วจะประกาศความจริงตลอดไป นอกจากกิจใจของเรามันปลอมหมดทั้งดูวงความจริงแทรกไม่ได้ถ้าเรื่องความจําปลอมมันเข้ากันได้วันยังค่ําความโกหกหลอกลวงนี่เชื่อกันง่ายๆถ้าความจริงไม่ค่อยเชื่อเพราะอะไรเพราหูมันสกปรกเอาของสะอาดเข้าไปมันไม่เข้าใจมันสกปรกเอาของดีของจริงเข้าไปมันไม่รับถ้าเป็นของสกปรกแล้ววันยังค่ำมันรับได้ทั้งนั้นพันกันไปเลยยิ่งกว่าแห่พันลิงนี่เวลานี้กิจใจของเรามันเป็นยังไงมันเป็นแบบแห่พันลิงหรือมันเป็นแบบไหน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 ใช้จะว่าว่ามันมีว่าสีว่าสุกว่าฉเฉลียวฉลาขนาดไหนก็มีแต่ความสําคัญมันหมาเอาเฉยเเมาลมกันเท่านั้นเองความจริงคือความเย็นใจไม่มีติดตัวแล้ววันยัางค่ำนันก็ทุกอยู่นั่นแหละไปพบไหนก็ไปเธอเรื่องความจริงก็ต้องเป็นทุกอยู่เรื่อยไปนั่นนะหาความสุกไม่ได้ไอความเจ็ดสันปั้นยนหรือความสำคัญตนนีมันหลอกเนาะเราอย่าไปหลงมันหลอกมากนะให้ดูจิตใจตัวที่แบกสุบแ บ, บกทุกอยเางนี้ส่วนมากมันแบกแต่ทุกให้ดูตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงเขาว่าเราฉลาดเราฉลาจริงไหม ดูตัวนี้มีโลกธรรมตัวนี้ถ้าดูนี้โดยระดับลระดับแล้วมันจะสบายหายห่วงตายแต่ถ้ตายไปเธอไม่ยากไม่ลำบากอะไรเลยเรื่องการเกิดการตายเป็นของของคู่เคียงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกัวเปนไปไหนกลัวไปไหนมันก็อยู่กับเราแล้ววิ่งตามตายมันก็อยู่กับเรามันก็วิ่งไปตามเรานอนความตายก็นอนเรานั่งความตายก็นั่งฮเฮาเดินความตายก็เดินมันเดินไปตามเราพอถึงวาระสุดท้ายแล้วตายเยกิดการตายเป็นของคู่กันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้สร้างคืออันไหนที่จะ เป็นไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนอย่าให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนากอดกองมหาสมบัติอยู่แตมไม่ได้อะไรเป็นสาระแข็งสารอะไรเลยนี่ก็รู้สึกว่ามันโง่เกินไปมนุษย์เราพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดฉลาดแหลมคมที่สุดแก้ที่เละจากพระองค์ได้แล้วสั่งสอนโลกด้วยท่าเมตตาเราพูดที่จะรับข้อปฏิบัติจากท่านมา พ, พูปฏิบัติเพื่อเป็นสาระคุณแก่เราท่านนั้นเรายังปฏิบัติไม่ได้ เราเจอหวังความสุขกำเรินจากที่ไหนจากอะไรจากโลกไหนฮะมันไม่มีทั้งนั้นละ่ะคือความหมดหวังอยู่ไหนมันก็หมดหวังถ้าไม่สร้างความหวังให้ตนเองเสียตั้งแต่ที่มีชีวิตยอยู่นี่ชื่อบุคคนฉลาดฉลาดอย่างนี้แล้วการแสดงคำนี้ก็ต้องขออภยัยเท่นพุโทพโธุทโธนี้ให้มีความรู้สึกอยู่กับคําว่าพุทโธมีความรู้สึกอยู่กันั้นนี่เมื่อเมื่อคำวิจกรรมเราสึกต่ออยู่ด้วย ความรื่รู้คือสติอยู่กับงานนี้แล้วโดยสมรรเสมอแล้วจิความรู้สึกที่มันเคยคิดขร้างในที่ต่างๆนี่ค่อยรวมตัวเข้ามารวมตัวจะเข้ามาสู่จุดนี้นี่ท่านที่ท่านเรียก ว, ว่าจิตสงบหรือจิตรวมหมายถึงอย่างนี้คือรวมตัวเข้ามานั่นแหละการที่เราจะเห็นความแปลกภายในตัวของเราซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยแต่ก่อนทางท่านทจิตก็มีอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบว่าจิตเป็นยังไงมีจะรู้ เลยถือวเหมาทั้งตัวนี้ว่าตัวเราทั้งหมดนี่ก็คือผู้รู้นั่นเองเมื <ME U TER> ่ออันนี้มันฉลายไปผู้รู้มก็หมดปัญหามันฉลายไปด้วยการเป็นลนักษณะอย่างนั้นคนที่ที่ ท, ท, ท, ท, ท, ท, ที่มีความรู้สึกหรือมีความเห็นว่าตายแล้วสูญมกกักจะคิดดังนี้เพราะจับตัวตัวชําคัญ น, นั้นไม่ได้ตัวผู้ว่ามันตายแล้วสูญไม่ได้นั่นแหละคุนั้นแหะพูณไม่สูญมันว่าอยู่นั้น จะมอันหนึ่งเข้าแทรกมันหรือว่าเป็นเครื่องหนุนหลังมันให้เป็นความเข้าใจไปอย่างนั้นว่าศูงสูสสงไหมครับบางท่งนที่คุณนี้ไม่สูนะงเวลาเราเรียนหรือปฏิบัติอย่างนี้นั้นมันเข้าปหาตัวจริงตามมันเข้าไปตามเข้าไปจนม า, าถึงตัวจริงเมื่อถึงตัวจริงด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะพูดรำไม่สนใจฟังเพอความจริงก็รู้อยู่กับใจนี้แล้ว แต่เพียงว่าการเดินตรงกลมเดินที่ีใดที่จะถูกนะที่ยากของการเดินโยมกลมก็เราก็เดินกลับไปกลับมาแต่ความระลึกลูกเราให้ที่กิจทางานก็ให้ทํางานอยู่ภายในเราดังที่เคยถามเช่นกาหนดพุทโธก็เดินไปก็ให้รู้อยู่กับพุทโธเราเดินกลับไปกลับมาก็ถูก แมอาการของการเดินนั่งเราจะนั่งแบบไหนก็ได้แต่ที่ท่านนั่งขัดอะไรสมมาธ์เพชรเรืออร่อยนั่นเพื่อความเสมอของร่างกายคือร่างกายของเรานี่ถ้านั่งพรบเพีย้ยวนี่มันจะหนักทางด้านนี้นั่งพับทางนี้มันก็จะหนักทางด้านนี้ไม่เสมอถ้าเรานั่งขัดสมมาธินี่มันเสมอความกดของส่วนร่างกายกับพื้นมันก็ มันเสมอกันนี่เราจะเห็นคุณค่าการนั่งขัดสมาสมาธินี่ยในเวลาที่เรานั่งนานถ้าเรานั่งแล้วพอมันพอมันเหนื่อยแล้วก็พลิกเสียพลิ้วเสียนี่เราไม่ทราบไม่เคยเห็นกรน้องการน้องการนั่งขัดสมาดเวลานั่งนานๆ น, น, นี่มันมันลงเสมอกันอขณะที่ สมดุลจิตนอกจากพุทโธพุทโธเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทราบเราหมายใจถ้าออกรับเราต้องการทราบก็ได้ไม่ขัดข้องไม่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกันแต่ถ้าเวลาสมดุลจิตให้ทราบพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วเอาใจอยู่กับพุทโธอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ตั้งใถึงรหมาใจ้าออกจะไม่จะเป็นการสะดวกกว่าออันนี้ครัเป็นตามมัธยสายจของนะถ้าเจ้าของเห็นว่าอะไรสะดวกก็ก็ให้ยึดนั้นไว้อันนี้มันมันตามมัทยสาย มันจะดิ้นแสงของเราไม่เหมือนกันเห็นเราจ ะ, ะกําหนดพุดโทโธคือกําหนดลมหายใจตามด้วยพุทโธเนี่ยก็ได้หรือกำหนดเฉพาะพุโทโธก็ไ ด, ด, ห ด, ด, ได้หรือจะสังเกตดูเฉพาะลมก็ได้แต่ส่วนมากถ้าจิตเรายังสติยังไม่ดีนี่กําหนดเฉพาะลมนี่มันไม่ค่อยจะพิดได้หลักเท่าไหร่จึงต้องอาศัยคําบริกรรมอ